วันนี้พวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบลงวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันมาฆาบูชาตรงกับวันที่เก้ากุมภาห้าสองพวกเราได้ฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ต่อไปตอนเย็นก็คงจะมีการทำพิธี กล่าวคำสักการะวันมาคระบูชาแล้วก็คงจะมีการเวียนเทียนพระทักษิณรอบสาลาพุทธปฏิมาพระบรมสารีริกธาตุแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ผมจะได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ตามหลักพระธรรมวินยัย ในวัดของเราเราควรทำตนอย่างไงปฏิบัติอย่างไงในการอยู่ร่วมกันแต่ตามพิจริงพวกท่านก็รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าเข้ามาเพื่ออะไรมาอยู่วัดนี้มาอยู่เพื่อการศึกษามาอยู่กับผมที่เป็นเจ้าอาวาส พวกท่านก็ได้มาอยู่เพื่อการศึกษาผมจะได้แนะนำแนะแนวในการประพฤติปฏิบัติให้แก่พวกท่านทั้งหลายถ้าคิดเพียงแค่นี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเข้ามาศึกษาแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาแล้วไม่เป็นเรื่อง อาจารย์พาไม่พาทำไม่เป็นเรื่องไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่สบายใจไม่เป็นไปเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิยญนิกระทมไม่เป็นไปเพื่อหลักพระธรรมวินยัยดูไปแล้วมีแต่เรื่องกิเลสราคะโทสะโลภโหมกะนะพวกท่านทั้งหลายก็ต้องได้คิดว่าอยู่ไปเพื่ออะไร แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายดูแล้วว่าการอยู่กับผมและอยู่ในวัดนี้อยู่ไปแล้วก็คงจะได้รับการศึกษาได้รับการได้รับแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำใต้สั่งสอนก็คงจะเป็นสิริเป็นมงคลถ้าอยู่อย่างนั้น ก็เพียงมันก็จบครูบาอาจารย์ผู้นำพาทำยังไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นมันก็จบแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แล้วไม่สบายใจแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังผมที่ผมบอกแล้วไม่ทำบอกให้ทำไม่ทำบอกให้อยู่ไม่อยู่ ไปตามอำเภอใจไปตามมัทธาใจถ้าเป็นอย่างนั้นพวกท่านถามตัวเองดีว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่ออะไรมาเพื่อการศึกษาใช่ไหมหรือมาเพื่ออะไรมาเพื่อทําลายผมใช่ไหมหรือมาทําลายพระพุทธศาสนาถ้าาว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่วัดของผม ปฏิบัติตามที่ผมบอกผมกล่าวอยู่ในโอวาทของผมอันนั้นแปลว่าผู้เข้ามาศึกษาที่เป็นสิทธิสิทธิที่ดีก็ต้องฟังคำครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่ออกนอกลู่ไม่ออกนอกทางไม่ปีนเกลียวแต่ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายมาอยู่แล้วปีนเกลียวไม่อยู่ในโอวาทแนะนำให้อยู่อย่างหนึ่งบอกให้อยู่อย่างหนึ่ง ทะเลทลายไปอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าผู้ไม่หวังดีกับผมกับวัดสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายได้คิดนะคิดตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงองค์สุดท้ายที่เขามาอยู่กับผมถ้าเขามาอยู่แล้วไม่อยู่ในโอวาทให้พวกท่านพิจารณาตัวเองเลยถ้าหาว่าอยู่ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้าว่าเกิดประโยชน์พวกท่านต้องฟังต้องศึกษาต้องปฏิบัติตามตามแนวแถวที่ผมได้แนะนำสั่งสอนผมแนะนำสั่งสอนอยังไงพวกท่านทั้งหลายต้องฟังฟังและศึกษาให้ปฏิบัติผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่การอยู่ด้วยกันไม่ใช่จะปีนเกลียวกันเห็นไหม หลวงตามหาบัวอนุญาตให้หลวงปู่ล่าไปหาฝืนไปแบกฝืนไปเอาของมาเพื่ อ, อมาวัดหลวงปู่มั่นลงมาเห็นแล้วหลวงปู่มั่นยังเข่นอีกหลวงปู่ล่ า, าและเป็นยังไงสิ่งหมู่นี้ต้องคิดนะอย่าแซงหน้าแซงหลังนะผมไม่ต้องการสิ่งอื่นยิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยนะออกไปอะไรออกไปหาหมอเส้น มันมีที่ไหนผมอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาปวดเส้นปวดอะไรขึ้นมากันเนี่ยพวกหมูพวกเพื่อนอก็ดูดัดเส้นให้นวดเส้นให้เยียบเส้นให้มันก็น่าจะเพียงพอสำหรับพระหนุ่มเดี๋ยวหนึ่งองค์หนึ่งออกทางหนึ่งองค์หนึ่งออกทางหนึ่ ง, ง, งผมพูดเป็นหัวหน้าปกครองใน่แย่นะหนักใจผมนะ ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นเช่นเป็นเอ็นอย่างนั้นให้ออกไปนอกวัดให้ ร, รักษาให้หายซะก่อนอย่าเข้ามามันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดใครจะออกไปตอนนี้ต่อไปต้องบอกผมก่อนนะออกไปเพื่อเรื่องอะไรถ้าผมบอกว่าถ้าผมไม่อยูออ่ก็ให้บอกหัวหน้าให้บอกที่องค์รองลงไปพวกท่านทั้งหลายคิดให้ดีนะ ในเรื่องเหล่านี้ผมพูดให้ชัดเจนวันนี้ผมไม่สบายใจในการเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งหลายเข้าทำนองที่ว่าแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังไม่ไปตามหลักธรรมวินัยไม่ไปตามโอวาทที่ผมแนะนำสั่งสอนพอผมไม่อยู่รับออกนู่นออกนี่ออกลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่มีพรรษาเนี่ยนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของพระผู้หลุนน้องๆที่เขามาใหม่ทั้งที่ตัวเองจะต้องเป็นพระนาหน้าหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นน้องๆกับทำตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของรุ่นน้องๆไปอีกสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายให้คิดนะผมพูดทั้งนี้ท้งนั้นพูดให้คิด ให้ปรับปรุงแก้ไขถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านได้เป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสพวกท่านคิดดูกันแล้วกันถ้าว่าข้าได้เป็นเจ้าอาวาสถ้าทะเลทลายอย่างเราเนี่ยเราที่เป็นหัวหน้าเราจะคิดยังไงถ้าลูกน้องอย่างเราทะเลทลายอย่างนี้พระหนีออกจากวัดทั้งหมดหาคนที่จะดูแลไม่ได้องนั้นออกนั้นองนี้ออกลายไปคนละทิศละทางพวกท่านทั้งหลาคิดดูกันแล้วกัน คิดถึงหัวอกที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นปกครองปกครองท่านเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาท่านจะทำยังไงพวกท่านทั้งหลายคิดนะสิ่งไหนก็ตามถ้าว่าผมห้ามแล้วอย่านามาสิ่งนั้นมาทำในวัดของเราถ้าทำก็ต้องทำในขณะที่ผมอยู่ถ้าผมไม่อยู่แล้วอย่าทำถ้านำมาทำก็จะแสดงว่าเวลาผมมาอยู่เอาขี่มาลด ปฏิปทาของผมแนะนําสั่งสอนอยังไง ร, รักษาวัดวาศาสน า, า, าอย่างไงพวกท่านทั้งหลายเอาขีมาลดเอาขีมาใส่ทําให้เปื่อนเปื่เลือดเทอะพวกท่านทั้งหลายคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้และอีกอย่างหนึ่งถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะฟ้องกันถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามองคไหนก็ตามทําไม่ถูกก็ต้องบอกผม ไม่ใช่เกิดความเสียหายซะก่อนยังค่อยมาพูดกับมุมมัมม่มมุ ม, ม่มทีหลังมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดก่อนที่มันจะมีเรื่องขึ้นมากับปรึกษากันว่าเออท่านอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ผมท่านอาจารย์ไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไงอย่างนี้ต้องบอกผมผมก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขเออเอาไปยืดหุ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกถูกต้องแล้วล่ะเอาทาได้เขาพูดกับผมแล้ว เรือว่ามันสีเสียหายคงเออไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะต้องพูดไม่ได้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วในพระวินัยการกระทําขององค์ใดก็าตามถ้าเป็นอาบัติชั่วยาบภิกษุปิดอาบัติชั่วยาบของภิกษุอื่นต้องปาจิตติสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิด สอนให้ได้คิดสรุปแล้วก็คือให้ปกป้องหลักพระธรรมวินัยให้อยู่ในกรอบของหลักหลักพระธรรมวินัยอยู่ด้วยกันมีผู้ใหญ่มีผู้น้อยอาศัยซึ่งกันและกันขาดเหลือขาดตกสิ่งไหนถ้าาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมากยังไงเกินกว่าที่จะรักษาภายในวัดของเราได้บอกมา เออแต่ถ้าหากว่าเจ็บแข้งปวดขาธรรมดาข้าธรรมดามันก็ต้องมีเจ็บมีปวดเป็นธรรมดาแต่เว้นเสียแต่ว่ามันเส้นพิกเส้นแพงจริงๆก็เข้ามาบอกผมหรือว่าบอกผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องรับรู้รับทราบกันไม่ใช่ว่าจะขโมยไปก็ขโมยไปอย่างวันนีนะ้เป็นตัวอย่างถามใครก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนไปเรื่องอะไรไปกับใคร พวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีที่ถูกต้องไหมเป็นอย่างนั้นนี่แหละที่ว่าท่านว่าตับจะแตกตับจะแตกการปกคลองหมูนั่นเลือกลักษณะอย่างนี้หละพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีก็แล้วกันทำอะไรต้องดูครูบาอาจารย์ดูหมูดูเพื่อนดูหลักพระธรรมวินัยสีรายจารวัตร ดูขนรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินปฏิบัติอย่างไรพวกท่านทั้งหลายอย่าออกนอกลู่นอกทางนะพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ฆราวาสนะเป็นพระนะไม่ใช่เที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินเฮานะถ้าหากว่าอยากจะสนุกเพลิดเพลินเฮาอยาอยู่อยู่ทําไมอยู่อย่างนี้มันเสียหายพระพุทธศาสนา ถ้าอยู่ก็ต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาเข้าสิเรามาเพื่ออะไรเรามาพึเมื่อเพื่อภาวนาถ้าจิตใจของเราถอยแล้วไม่เอาไม่สู้แล้วอยู่ไปทำไมเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่พูดทางนี้ทางนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทบทวนดูให้สู้เดินจงกรมนั่งภาวนาสถานีวิทยุก็มีอยู่แล้ว กลางคืนผมก็บอกว่ากลางคืนให้ฟังสักหนึ่งกันอย่างน้อยฟังเทศหลวงตาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ท่านเทศกันนี้แหละพอจบแล้วเทศกันนี้ก็นั่งฟังนั่งสมาธิฟังะพอฟังจบแล้วก็ปิดในการนั้นก็นั่งต่อให้ฟังวันละหนึ่งกันฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจให้ฟังจริงๆไม่ใช่นอนฟังไม่ใช่คุยฟังไม่คุยสวดหนังสือ อะไรฟังไม่ใช่ทํานั้นกุดกุกกีกีแล้เปิดพิทยุไปถ้าพวกท่านทํอย่างนั้นต่อไปพวกใจของท่านพวกท่านทั้งหลายจะด้านใจด้านอะไรมันก็ไม่สำคัญทั้งหมดเพราะใจมันด้านเหมือนกับ ด, ดินด้านดินด้านน่ะรถน้ำก็ไม่เข้ามันไม่ซึมไม่ซึมซับเข้าไปดินมันด้านใจมันด้านมันด้านเหมือนกระดากลิงอย่างนั้นน่ะ มันนั่งที่ไหนก็ไม่เจ็บเพราะไม่มีอะไรเพราะมันด้านอันนี้ก็เหมือนกันอะใจมันด้านลักษณะอย่างนั้นพผอยนั่นท่านทั้งหลายอย่าทำให้ใจด้านต้องตั้งใจฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตาเทศผมได้ฟังเกือบทุกกันตั้งแต่ปี2512ยถึงส2งพั้า้าท่าันเทศในกลุ่มนี้ผมได้ฟังเกือบทุกกันผมกลับมาแล้วผมก็ยังฟังอีกฟังแล้วฟังอีก ธรรมเทศนาที่ผมเข้าไปศึกษากับองค์หลวงตาก็ไม่แพ้พวกท่านทั้งหลายที่ได้ฟังทุกคืนถ้าพวกท่านตั้งใจฟังเป็นเสียแต่พวกท่านไม่ตั้งใจฟังแล้วก็อย่างว่าเหมือนกันเออเล่ เ, ลเลทะไปเรื่อยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีกฎระเบียบใครอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างที่เห็นเหตุเนี่ยนะเพราะนั้ น, น, นพวกท่านทั้งหลายคิดนะฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รีบกลับไปภาวนา ถ้ามีอะไรที่จะต้องช่วยกันเอาช่วยกันช่วยกันจริงๆจังๆพอช่วยแล้วก็จบเพราะวัดของเราไม่ใช่วัดของผมนะเป็นวัดของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนได้อาศัยพวกท่านทั้งหลายจะเป็นคนทำศ ร, รัทธาญาติโยมมากระทวายจะตุปปัจจัยปัจจัยผมก็ต้องได้ใช้ต้องได้หาใสา่แต่จ ะ, จะว่าพวกท่านเก่งทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าพผมเก่งทีเดียวก็ไม่ใช่ไม่ต้องอาศัยกัน ถึงจะถวายศรัทธาจะตุปัจจัยถวายมาแต่ไม่มีใครทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่พวกท่านทั้งหลายอยากจะทําอยู่แต่ไม่มีปัจจัยที่จะทํามันจะเกิดประโยชน์มาจากที่ไหนเพราะไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งที่จะให้ทํามันต้องอาศัยกันอย่างนั้นผู้ใหญ่อาศัยผู้น้อยผู้น้อยอาศัยผู้ใหญ่หัวหน้าอาศัยลูกวัดอาวัดลูกวัดเหมือนกันเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ใช่เข้ามาเพื่อทําลาย เพรนั้นพวกท่านทั้งหลายหฟังให้ถึงใจนะที่ผมพูดในวันนี้เวลาผมออกจากวัดนั่นนะเอ่กระโดโดโลดเต้นไม่รู้เรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรไม่ใช่ผมไม่ฟังไม่ใช่ผมไม่ใส่ใจนะผมออกไปผมก็ฟังผมก็ศึกษากลับมาก็ต้องถามไถ่เป็นยังไงดูดูแล้วมันไม่สบายใจ จะขนาดอยู่ๆก็ยังให้เห็นต่อหน้าต่อตาอีกเพราะนั้นอย่าให้มีนะถ้าว่าเจ็บป่วยเส้นเอ็นธรรมดาเนี่ยจะไปออกไปทำไมข้างนอกหมอพระในวัดของเราก็มีอยู่แล้วก็เพึ่งพาอาศัยกันสิทีเขาทีเราทีท่านทีผมแต่ผมเองผมก็ยังเห็นไหมผมไม่เห็นทะเลถลายไปที่อื่น ก็อาศัยพวกท่านทั้งหลายนวดเช่นให้อองคไหนที่พอจะได้ใช้ได้ก็นวดนวดเพื่อจบไปนี่ผมว่ามันจะออกนอกลู่นอกทางนะมันไม่มีทางออกมันหาทางออกเฉยๆกิเลสมันหาทางออกทะเ ล, ทะไล ไ, ท, ะเลทะไลไปนู่นทะเลทะไลไปนี่ถ้าว่าใครจะจะออกนั้นให้ออกไปนะอย่าอยู่อยู่ทาไมอยู่ให้หนักใจผมที่ผมที่เป็นหัวหน้า ออกไปรักษาให้หายสะกว่ายังค่อยมาค่อยๆเข้ามามันจะรักษาหายได้ยังไง ร, ร่างกายก็อยู่รู้ๆอยู่แล้วมันมีแต่มันจะตายไปข้างหน้านั่นแหะมันไม่หายหรอกพอประทังไว้เท่านั้นเองเพอรักษาไว้ถ้ามันหนักหนาะสาหัสจริงๆก็เออไม่ว่าเขาไปหาหมอถ้าขนาดได้ขนาดหนึ่งมันก็ต้องอดทนจะต้องมีวิธีการแก้ไขดัดเช่นบ้ังนวดเส่นบ้างใช้ยาทานบัง ถ้ามันเหลือวิสัยจริ ง, รงๆมันก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้ขี้เสาะเหลือเกินลวงตาว่าเพียงจาฟิตดีแล้วิ่งไปหาหมอละมันกลัวตายกับมาฐานทุกวันนี้ขี้เสาะมากพวกท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีนะที่ผมพูดนะสรุปแล้วก็คือให้แข็มแข็งให้เป็นนักพจนักบวชให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปภายภาคหน้า ถาว่าพวกท่านทําอยู่อย่างนี้นะั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เหล่ะแหลกแล้วก็อยากจะอาศัยผู้อื่นอยากจะมาอาศัยผมแล้วก็อยู่กับผมก็ทำลายผมอีกเพราะไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยแสดงว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์เลยแต่ว่าอยากจะได้ลาบอยากจะได้ลดยศอยากจะได้ให้คนนับถือเลื่อมใสาอาศัยบา ร, รมีของท่าน แต่ตัวเองนั้นไม่ได้นับถือเรื่อมใสไม่ได้สนใจในปฏิปทาของท่านเลยไม่ได้เคารพท่านเลยมีแต่อยากจะได้อติเลกลาบอยากจะได้หัวโขนมาสวมตัวเองท่านเองในจิตใจนั้นประมาทท่านตลอดสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ผมว่าเนี่ยมีไหมในหัวใจของพวกท่านถ้ามันมีอย่างนั้นแล้วผมว่าไม่เป็นมงคลที่จะอยู่กับผมอยู่กับผมก้องฟัง ผมแนะนำสั่งสอนอย่างไรต้องฟังผู้มาศึกษาถ้าจุดไหนไม่เข้าใจถามบอกผมไม่ได้ใช้อำนาจวาสนาไม่ได้ใช้กฎข่มเหงบังคับผมใช้หลักเหตุผลในการปลกคลองหมูเพื่อนมีอะไรบอกมามีอะไรกัดข้องเรื่องอะไรปัจจัยจิตสี่มีอะไร ผมเก็บไว้ไม่ได้เก็บเพื่อผมผมไม่ได้ใช้เพื่อผมใช้เพื่อวัดวาศาสนาใช้เพื่อพระพุทธศาสนาถึงจะไม่ได้ใช้ในวัดนี้ก็คือใช้เพื่อพระพุทธศาสนาให้วัดต่างๆสาธารณประโยชน์เพราะปัจจัยที่ได้มาไม่ใช่ปัปจจัยถวายผมไม่ใช่ปัจจัยพ่อแม่ของผมให้ผมเป็นปัจจัยสีของพี่น้องประชาชนจิตไทยญาตินับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียสละ แล้วก็ทําบุญทําทานเขาก็คิดว่าผมจะใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาถ้าว่าผมได้มาแล้วไปซื้อเหล้าเมายาไปซื้อคันชงชันชายาฟินเออไปจ้างเอาเงินไปจ้างค่าคู่ค่าคนเขาจะทําบุญไหมเขาจะถวายไหมถ้าทําอย่างนั้นเขาไม่ถวายแน่ๆอันนี้เขาก็มั่นใจว่านี่ถวายท่านแล้วท่านจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นผมเมื่อเขาถวายแล้วผมก็ต้องมีความใส่ใจเลยว่าเนี่ยเงินของบาททุกบาททุกสตางค์ของศรัทธา ญ, ญาจโยมเวลาเขาจะทําบุญเขาก็เขียนอีกต่างหากทาบุญอุทิศให้ผู้นั้นผู้นี้นิพพานะปัจจโยโหตุอผลที่สุดเขาก็ปราถนาถึงสวรรค์นิพพานของเขาเพราะฉะนั้นการที่จะใช้จะตุปัจจัยของเขาแต่ละครั้งผมต้องคิดแล้วคิดอีกจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ถ้าให้ไปที่ไหนตรงไหนก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันจะให้ใครว่าจ้างเรื่องอะไรเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไห น, นการใช้จ่ายในครั้งนี้สิ่งหมู่นี้ผมได้คิดทั้งหมดถึงจะให้มากน้อยยังไงแค่ไหนก็อยู่ในเหตุผลดุลยพินิษฐ์ของผมเพราะคนที่ให้เขาก็ไว้ใจผมไว้เนื้อเชื่อใจผมเขาจึงให้มา ผมก็พูดอีกว่าถ้าว่าคูผู้ใด็ตาตำถ้าว่าไม่ไว้เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจผมอย่าให้มาผมก็ไม่ต้องการรับเหมือนกันถ้ารับเขาไปไม่สบายใจทั้งเขาไม่สบายใจทั้งผมด้วยเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ไว้ใจเมื่อเมื่อเขาไม่ไว้ใจผมก็ไม่สบายใจในการไม่ไว้ใจของเขาเออเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ไว้ใจแต่ถ้าเมื่อเขาไว้ใจเออเอาไว้ใจละ ปัจจัยจำนวนนี้ถวายท่านผมก็ใช้ออกไปให้เกิดประโยชน์ด้วยความไว้วางใจเขาไว้วางใจแล้ว เ, ออเราก็ทำคิดว่าให้รอบครอบที่สุดในการใช้ใจ่ายในจิตุ ป, ปัจจัยที่เขาถวายมานี้ออนี่แหละพวกท่านทั้งหลายคิดดูกขาแล้วกันออที่ถวายมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอย่างถวายองค์หลวงตาอย่างนี้ท่านก็ช่วยสงเคราะห์โลก เราก็บูชาพระคุณของท่านถือว่าองค์หลวงตาหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือองค์หลวงตาที่เป็นผู้มีอุปการคุณเป็นบุพการีเลือกให้ธรรมะแก่เราแก่พวกท่านทั้งหลายด้วยไม่ใช่ให้ผมองค์เดียวพวกเราควรจะบูชาพระคุณของท่านท่านอมิชฌบูชาปฏิบัติบูชาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ อีกส่วนต่อไปก็คือการถวายสงเคราะห์วัดต่างๆเขามีความจําเป็นเขามาขอเราก็พิจารณาดูแล้วว่าเออเขามีความจําเป็นจริงมันงานมันยังไม่เสร็จอย่างนี้เราควรจะให้เขาอย่างไรอันนี้เราก็แบ่งให้เขาพิจารณาโดยถามเพราะปัจจัยนี้เป็นปันจจัยส่วนกลางอย่างที่ว่าคือใช้ให้เป็นธรรมอบางท่านเขาเออผมจะจะทำสะพานอย่างนี้ เ, เป็นยังไงเออสะพานมีประโยชน์ เขาวัดวาควรจะให้เขาแบ่งให้เขาเป็นบางส่วนที่ช่วยเหลือเขาไปไปได้หรือตลอดถึงสร้างเมนสร้งสางศาลาพักศพยังเนี่เมื่อเขาไม่มีเราเขามาขอเขาเตรียมการมาหลายปีมันไม่ได้ขอจากใครก็ไม่ได้เราก็พิจารณาดูแล้วน่าจะให้เขาพราะเราก็พอเป็นไปได้ไม่มีปัญหาจุดนี้ไม่หนักหนาจนเกินไปเราก็ไม่ได้แผ้ได้ขอ คนข้างนอกจนเกินไปที่ว่าไปเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดทบทวนหมดในการใช้จ่ายจะตุกปัจจัยตลอดถึงหมู่พวกเพื่อนที่ออกไปมีความจำเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องได้คิดอีกถ้ามันนอออกนอกลู่นอ ก, นอ ก, ก, นอกทางเกินไปแล้วก็ตบออกั้นกลางเอาไว้หวายาเดอ้อ เกินไปแล้วนะเอออย่าไปแข่งกันทางด้านวัตถุมากเกินไปนะต้องแข่งกันทางธรรมนะพออยู่ก็อยู่ไปพอปฏิบัติก็ปฏิบัติไปถ้ามันมีมาโดยลำพังก็เออไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าไม่มีมาแล้วคิดจะสร้างนะั้นจะสร้างนี่มาลบกวนผมนยะอย่านะถ้าสิ่งจำเป็นผมไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาล้มตายลูกน้องออพ่อแม่ล้มตายเออไม่ว่า เจ็บไข้ได้ป่วจะเข้าโรงพยาบาลจะต้องได้ใช้จิตุปัจจัยไม่ว่าแต่ว่าเศนาชนะไม้หักล้มทับหมมันผุพังเสียหายเกิดความไม่สะดวกในสปายะในการเป็นอยู่เข้ามาขอผมไม่ว่ามันมีความจําเป็นแต่เพียงแต่ว่าพระอยู่ไม่กี่องค์แล้วจะมาสร้างมาสร้างนี้ไม่มีงทางออก ไม่มีอะไรคิดเออเหมือนกับหมาขีเลื่อนเก่าในที่ไม่คันหมาขี่เลื่อนมันยังเก่าในที่คันแต่พวกเราเก่าไม่ที่ไม่ที่ไม่ถูกที่ไม่คันที่ไม่คันก็คือออกนอกลูก่นอกทางไปทำในสิ่งที่ไม่นั่นน่ะทั้งที่จะให้ดูใจนู่นออกไปทำข้างนอกสิ่งหมู่นี้นะขอฝากไว้กับพวกท่านทั้งหลายทุกๆองค์ให้มุ่งมั่น ในศีลธรรมในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอย่าไปมุ่งหวังทางอื่นทางโลกถึงจะแข่งขึ้นมาก็แข็งมันสู้เขาไม่ได้หรอกตึกกรานบ้านช่องเขาใหญ่แลวโตระโหฐานพวกเราพออยู่ได้อย่างสมมณะอย่างพระก็น่าจะเพียงพออย่าไปแข่งเขาโลกเราแข่งทำจะทำยังไงจึงจะชำระใจของเราให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสาร ถึงแดนพนิพันธ์ผ่านอย่างง่ายๆเพียงแค่นี้น่าจะเพียงพอผมว่านะอะพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอย่าไปมุ่งหวังภายนอกถ้ามุ่งหวังภายนอกมันร้อนจะไปแข่งกันเอออกนอกลกูนอกทางเออถ้าว่าตัดใจให้อยู่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเฮ้ท่องเลสิถ้าว่าผมพาจังหวัดเช้าหน่อสิผมบางองค์มันจะไม่ได้เด็ยเนี่ย พรไม่ได้ท่องผมไทยท่องแต่ทําวัดเย็นก็เลยได้แต่วัดเย็นทําวัดเช้าเคยท่องหรือเปล่าผมอยากจะถามเป็นองค์องค์เหมือนกันนะ่ะสิ่งเหล่านี้ทําไมไม่ดูสิ่งทําไมอย่างนี้ทําไมไม่ท่องทําไมมันกระโดดโลดเต้นออกไปข้างนอกหน้าที่ของเราคืออะไรเนี่ยนละอยากจะให้รู้จักหน้าที่ของตนเองอีกสักวันนะึงนะผมจะให้ท่อง สวดมนต์เช้าให้ผมฟังเป็นองค์องค์ไปพวกท่านทั้งหลายถ้าคอยดูก็แล้วกันนะมันเป็นยังไงสวดมนต์เย็นเออได้แต่ทําวัดเช้านะสิเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายได้ท่องไหมถ้าออกนอกลูกนอกทาง น, นีะเก่งภาระหน้าที่ของพระนั่นคืออะไรไม่ดูนี่ยแหะให้พวกท่านทั้งหลายดูนะดูตัวเองเอาต่อเ น, นี้ไปสวดท้ายปฏิโมกษ